ชาววัชีบุตรท่านเป็นลูกของชาววัชีมีลูกชายคนเดียวไปบำเพ็ญธรมนัธรรมอยู่ที่ป่าช้าและท่านนีเพื่อนสูงที่เป็นชาววัชีบุตรชาววัชีนันตัง้งพวกญาติพ่วรองของกษัตริย์ก็มีเยอะที่เป็นเพื่อนฝูงกัน กำลงกำลังเดินเดินกลมอยู่ในป่าช้าคนเดียวแค่ได้ยินเสียงของอกเขาจะไปเล่นอะไรเนี่ยเล่นอย่างนี้แหละบนสนุกสนามแต่ท่านั้นเรียกว่าเล่นนักสัตว์อะไรก็คงจะอย่างนี้มีเราก็าบงเรียกว่าเล่นที่เกล้าควันหลังอะไรไปอย่างนั้นนแต่ขั้นผู้ระการี น, นักสัตว์ ความเสียงอิตาโลเรียไปข้างๆป่าชานกำลังบำเพ็ญหรรมถามเดิ น, นกลมอยู่ในขณะนั้นเกิดความดิบตกขึ้นในใจเขาก็จะมีความสนุกขื่นเลยงแต่เรามอยู่ในป่าชาซึ่งเป็นป่าชาผีตายทั้งนั้นเลย คนที่รด้ขายใด้ราคาที่สุดก็คือเรามาอยู่กับคนตายเขามีความสนุกรื่นเริงกันแต่เราหาความสนุกรื่นเริงไม่ได้มาอยู่กับคนตาย mm hmm. เราเป็นคนหาค่าหาราคาไม่ได้ตําหนิเจ้าของพราหยุดจากการตําหนิเจ้าของลงก็ปรากเว็าเทวดา mm hmm. มีเทวดา มันจ้ำยั่งอยู่ที่อากาศบอกลงมาว่าท่านสหาคนเช่นไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าท่านเึ่บนบำเพนธสมนัธรรมในป่าชา้าเวลานี้พวกนั้นเขาไปตามความโง่เขลา ป, ปัญญาของเขาต่างหากเขาไม่ได้ไปด้วยอัต้วยทรมด้วยความดู้ความฉลาดที่จะยังตนให้พ้นจากทุกนี่เขา ไปส่งเสริมมรรคความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกีย่ยวกับเรื่องของเกิดความตายต้องท่านศักดิ์สิทธไม่มีเงินเดือดเนแล้วที่ผีคือเขาไปส่งส่งสมกองทุกข์กันตัณหาท่านเป็นผู้เห็นภายในกองทุกข์ทำไมท่านถึงไปทมเชยสิ่งที่เป็นกองทุกข์อย่างนั้นการทําความเพียนเพื่อสามารถทําให้จิตใจได้รับความสงบเป็นตัวของทาย ในความโกรธแต่สุดตายเป็นความชอบทำแล้วที่ท่านดาเนินอยู่ล้วนี้ไม่มีใครเล่าเป็นผู้มีจิตใจสอะแสวงหาเพื่อความบยุดพ้นอย่างท่นนี้ท่านควรจะยินดีในการบาเพ็ญของท่านและท่านเป็นผู้มีคุณค่ามากในขณะที่ท่านบาําเพ็ญอยู่เช่นนี้เพราะว่างั้นได้สตุทันทีเลยเทวดามันจะไม่ต้งวนอวกับ แล้วบอกลงมาเลืได้แลึกได้ทันทีก็บำเพ็ญธรรมทำในคืนวันั้นปรากฏว่าได้บรรลุถึงที่สุดทำในคืนวันนั้นเลยก็แสดงว่าจิตของท่านไปอย่างรวดเร็ว น, นี่เป็นอย่างนี้เองที่เหลือมากระสิบ าการทําีินั่นจะ น, นั่นดีการทําสิ่งที่ดีว่าไม่ดีถ้าฝ่ายธรรมะมี่มาช่วยวาสนาบามีของท่านมีเทวดานนัน้ชุดลากขึ้นให้ได้สปิดสตังเข้าวมเป็นเพี้ยนไปรื่นเริงทำแต่ในคืนนั่นนั่นไม่บอกวัดชีบุตรคือเป็นบุตรหนึ่งทาวาทัดชีมีลูกชายคนเดียวเป็นเศรษฐีด้วยพราะแม่เป็นเศรษฐีมีเงินมากมายกันกอง มีเวลามันกล่องมันก็กล่องได้อย่างนละเมอนที่เ็กแายคติธรรมที่เธอดังมันก็มาณอวยพรให้อาชีแกงให้เห็นโทษเห็นภัยเห็นคุณเห็นประโยชน์ทั้งสองได้นท่านก็เข้าใจและบำเพ็ญพุทธรรมจนได้บรรลุธรรมันสุดยอดมัรู้สึกว่าท่านเป็นกิปปัญญาอยู่เช่นเดียวกัน ถ้าว่าจิตงท่านมีขั้นมีภูมิที่สูงละเอียดขึ้นไปแล้วสงควรที่จะบรรลุในคืนวันนั้นท่านก็ไม่ควรจะวิตกวิจาร์ไปเชนนั้นเพราะความวิตกวิจารเชนนั้นหมายถึงจิตที่ยางไม่มีภูมิี้ยัง่จะพ้นจากภูมิอันนี้ไปท่านจึงต้องคงอีกตรงแต่เมื่อได้สติแล้วตั้งกับพิจารณาของท่าน คงจะไปได้อย่างววาเร็ยพลิกไปเป็นลำดับลำดับด้วยสติปัญญาจนสามารถแทนทั้งอยากจะทำได้ตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนมาไปอยู่ในป่าชา้าเป็นเครื่องเทียบเขาเทียบเราระหว่างเราที่ยังไม่ตายกับเขาที่ตายแล้วเป็นอย่างไรให้มาเทียบเคียง จิตเมื่อได้ก็ไปสู่สถานที่นั่นรอบไม่เคยความเพลิดเพลินแตเห็นความสลดของเลืและความเกิดแก่เก็บตายของเขาของเราและปิดจะได้มีเบรกคือมีการยับยั้งทัางตัวพิจารณาหาทางออกโดยชอบทำทันทีทันให้อยู่ป่าช้าคือจิตนิ่งไปอยู่สถานที่เที่อย่างหนึ่งเป็นอย่างไปที่อย่างเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือสิ่งแวดล้อม ไปอยู่สถานที่เปี่ยวๆแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปคิดหากิเลตัญหาอาสวัตประเภทใดตลาเปลียวนี้มีสินังคับให้เราต้กงระวังตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยและใครจะมีโอกาสคิดสั่งสมกิเลตขึ้นมานอกจากจากพิจรารณาโดยทางธรรมเพื่อถอทถอนตนเด็นไปโดยเร็วหนักทั้งนั้นก็ไม่มีอย่างอื่น ฐานต้งสอนให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเพื่อเป็นความไม่ประมาทนอนใจเราจะเห็นได้ในตัวของเราเองพู้คอมเพนธรรมนัตธรรมอยู่แล้วอยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่คือมีเพื่อนฝูงและสฐานที่ไม่น่ากลัวถึงจะมีความเพียนอยู่มีจิตเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ตามความเพียนก็ไม่คื้นไปอย่างรวดเดียว เหมือนกับไปอยู่ในสถานที่เปิดเปลืรู้สึกมีความอึดอัดมี่ายลเหมือนกันในขณะที่อยู่กับเปิดอกสูงมากๆและสถานที่ไม่น่าจะต้องระมาระวังอะไรไม่เป็นสถานที่ปลอดภัยจากสรร้ายต่างๆมีเสือเป็นตน้นการบำเพ็ญก็รู้สึกว่าอะไยอย่า ง, ช, งช้า แต่พ่ากล้าเขาไปสู่สถานที่ต้องระมัดระวังทั้งวันทั้งคื น, นแล้วนั้นมันเป็นความเพียนอยู่ตลอดเวลาการวันเขมีสติระมัดระวังตั้งตัวอยู่เสมอยิ่งกลางคืนเลยแล้วก็ยิ่งจิตติ้งตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังคือระวังอยู่ภายในตัวไม่ให้จิตมเผลอจะคิดเรื่องอะไรเช่นคิดเรื่องเสือนี่ก็เป็นไาแจะเดิมแล้วแม่เสือไม่มีก็ตามความคิดนั่นก็เป็นไปคือเขาเยาะเราให้เกิดความสะุ่้งหวาดกลัวขึ้นมาเป็นทุกข์อันนนี่ การสัสมพิเรศขึ้นมาคือคือความกลัวแล้วก็เป็นผลให้เกิดความทุกข์จี่เนื่องมาจากความกลัวเพราะฉะนั้นความคิดในแง่ต่างๆที่เป็นภัยแก่ตัวเองจึงต้องรีบแก้ไขในขณะนั้นๆไม่ให้ปล่อยให้มันเรื่อนไปตามความคิดขอมนิ่นั้นซึ่งเป็นเหตุให้ก่อความวุ่นวายขึ้นแก่จิตใจของตัวเองแล้วหาความสงบสุขได้ได้ แต่ส่วนมากผู้ที่ไปอยู่ในป่าเปลี่ยวอยู่ในที่นั้นต้องเป็นผู้ตัดพิจารณาตัวเองพอสมควรแล้วว่าจะจะไม่ถอยหลังถ้ายังมีความขยะกขยงอยู่ก็ไม่กล้าจะไปต้องเป็นผู้ตัดสินใจตนลงโดยเด็ดเดี่ยวว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วก็ตัดสินใจไปเมื่อไปแล้วเจตนาเดิมนี้กลับไปอยู่สถานที่นั้นต้องให้คลบกลื่อนไปเดียวกันก็เรามาแล้วโดวยความเสียสละ ทำไมอยู่แล้วเวลามาอยู่จะไม่เสียสลักมีหึงหวงอะไรเสียดายอะไรอยู่โน่นก็เลยพิจารณาแล้วก็คือร่างกายอันนี้ชีวิตอันนี้ซึ่งตนถือว่าเป็นของที่มีคุณค่าก็ยังกล้าเสียสลักได้ถึงก้าวข้ามาสู่สถานที่นี้เมื่อก้าวข้ามาสู่สถานที่นี้แล้วร่างกายจิตใจนี้มีคุณค่ามากขึ้นเพียงไรถึงต้องรักถึงต้องสงวนไม่ยอมเสียสละก็คือร่างกายจิตใจอันเก่านั่นแหละเหตุใดจึงจะเสียสลักไม่ได้ะ อยู่นุ่นก็มีความตายอยู่ที่นี่ก็มีความตายไปอยู่ในสฐานที่ใดความตายก็เท่าตัวไม่ในลดหย่อนผ่อนคลายลงได้เลยแล้วกลัวอะไรนะคืออุบายสอนตรงเองอะไรอยากมากินก็กินเลยที่เขากินเขาอิ่มในวันหนึ่งแล้วเขาก็ตายในวันต่อไปแล้วตายในวันนี้เขาก็ตายในวันหน้าความตายมีเสมอกันขอตาให้ตายอยู่ในสนามโบกคือสงครามระหว่างวิเลตกับทังให้ได้ชายชนะ อยได้คลั้งเยอย่าได้ท้อถอยอ่อนแอตายก็ตายอย่างนักรคคือตายในสงครามไม่ยันไหวเมื่อเราได้คั้มสอนจิตของเราอยู่ทุกระยะที่จะคิดออกไปนอกรูกนอกทางอันทุก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาแล้วจิตก็ไม่ก่าจะิดเพราะสติบงังคับบัญชาอยู่โดยสมองสมองนั่นแหละคือความเพียรเมื่อความเพียรเป็นไปอยู่ด้วยสติเป็นไปอยู่ด้วยปัญญา ระมัดระวังตัวอีก่เช่นนั้นจิตย่อมกล้าเข้าสู่ความสงบได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่เคยสงบก็สงบได้โดยประจักษ์แก่จิตใจของตนซึ่งไม่ต้องถามใครเลยเพราะความที่จิตสงบนั้นภายในตัวเองนั้นเป็นคํามไม่ขอควรตนเองเรื่องราวอะไราหายไปหมดเรื่องกลัวก็หายเรื่องอะไราหายไปหมดเนือแต่ความมู้ล้นล้นที่เด่นอยู่เรื่องความเจี่ยเตรอนของจิต ในขณะนั้นเป็นความสุขความสบายปราศจากความวุ่นวายสิ่งก่อปนต่างๆโดยสิ้นเชิงเรือแจ่ความรู้กับความเย็นสบายนั่นนี่คือผลแห่งการระมัดระวังความคิดความปรุงของตัวเองที่จะออกไปนอกรูนอกทางด้วยสติด้วยปัญญาที่คิดอ่านใจตรองหากห้ามจิตใจด้วยปัญญาทำความรู้สึกความคิดต่างๆด้วยสติ คิดออกประเภทใดสติรับรู้รับรู้รรปัญญาคอ่คอยตัดค่อยฟังค่อยหกักค่อยห้ามด้วยเหตุต เ, หเหตุผลจิตจะหน่อยเหตุผลแต่ไม่ได้ยมก้าวเข้าสู่ความสงบได้อย่างสบายสบายเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ความสงบด้วยเหตุผลอันเหมาะสมแล้วเราจะอยู่ในที่เช่นไรอยู่ได้ทั้งนั้นไม่จะถือว่าที่นี่เป็นภยัยที่นี่มีเสือที่นี่มีทาง ที่นี่มีอะไรๆที่ว่าเป็นจักรร้ายต่างๆมันเป็นความคิดความปรุงตัวเองที่หลอกลวงตัวเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นความจริงที่จะมาทําอันตราย ก, ก็ก็ตายไปสิแล้วอยู่เฉยๆเราก็จะตายอยู่แล้วถึงการของมันมันจะตายเวลานี้ก็คือการของมันที่เหมาะสมกันแล้วก็จะไปห่วงขั้นกลางห่วงห้ามมันทําไมเรื่องความตายเป็นกติธรรมราแต่ตายในทางจงกรมนี่ก็ก็ตายพอถึงการแล้วมันถึงตายไม่ถึงการไม่ตายนะแตตายอยู่ในรม่มไม้ชายเขาที่ไหนก็ตาย จะแสดงว่าถึงการแล้วในที่ไหนจะประคัดขั้นให้มันไปที่ไหนอีกจะไปคอยตายวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เมื่อถึงวันพรุ่งนี้เข้ามาแล้วจะอะไรมาคัดค้า น, นอีกมันก็คัดค้า น, นไม่ได้มันก็คือความตายอยู่ดีๆนี่เองภายในตัวของเรามันเป็นก้อนตายคุณนายอุบายวิธีพิจาราเพื่อห้ามจิตใจของตนให้มันออกนอกลูก่นอกทางเป็นเหตุที่จะสั่งสมเกิดขึ้นมา เราไปเดินจนเต็มน่องสมาธิภาวนาในป่าเราเพื่อจะถถอนกิเลสไม่ใช่เพื่อจะไปสัสมกิเลสมีความหวาดกลัวเป็นต้นขึ้นมาภายในจิตใจภายในรับความเดือดรอ้อนท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านเห็นคุณค่าแห่งการชำระแห่งการดัดแปลงแห่งการสึดผลทรมานตนเองอย่างประจักษ์ใจ กาจรจึงไม่สะทกสะทานในการที่จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็าตามขอให้เป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภาคเพียรเท่า น, นั้นเป็นที่พอใจความอบอากาศแคนท่านในที่เป็นสิ่งจ ำ, ำจำเป็นยิ่งกว่าการบำเพ็ญพราธรรมด้วยความสะดวกสบายธรรมจึงมีความเจริญขึ้นเรื่อยคำว่าธรรมก็คือความสงบร่มเย็นและอุบายแยกคายต่างๆซึ่งเป็นเครื่องสุขอาหานกิเลสได้แก่สติปัญญานี่แหละ ทำงานกันไปเรื่อยๆ ร, รู้เห็นสิ่ง ต, งต่างๆซึ่งไม่เคยรู้ไปเห็นแต่ก่อนเราไม่เคยพาวาหรือภาวนาอยู่ในฐานที่ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งแต่ก้าเข้าไปสู่นที่เช่นนั้นความรู้ความเห็นแต่ประหลาดปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายต่างๆของบรรญาที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อพุทโธเปลี่นแปลงให้ทันกับคัณฑญาของกิเลสก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสติก็สืบต่อเนื่องกันเป็นลๆๆๆําดับลําดับฮะกิเลสก็หมอบจนเป็นลําดับกิเลสมอบท่านั้นใจก็เย็น ถ้ากิเลสออกคุกผ่านเอ า, าใจก็ต้องร้อนเพราะคุกผ่านหาเหตุหาผลนี่กิเลสมันต้องหาเหตุในทางให้ดีหาผลอันเป็นความทุรนทุรายเข้ามาใส่ตัวเสมอถ้าปล่อยให้กิเลสคุกผ่านมากน้อยเพียงไรก็แสดงว่าปล่อยให้กิเลสประกอบเพื่อเอาความทุกข์มาขอหล่นตรงเด่นทั้งที่มันทั้งๆังมันมีกองไฟยืนพ า, นาย้อนใจแต่ก็ร้อนยิ่งกว่าไฟเพราะไฟของกิเลสมันร้อนกว่าไฟอะไรทั้งหมดทั้นจึงต้องระมัดระวงังให้มัน ิดในเวลาเช่นนัเมื่อฝึกฝนไปนานก็เลยกลายถึงความเคยกินขึ้นมาสติสตางค์ก็ดีไปอยู่ในที่เช่นไรก็เลยดีไปเรื่อยๆความเย็นใจอะไรจะเย็นยิ่งกว่าใ จ, ใจที่สงบใจที่สงบลงในขณะนั้ น, นก็เย็นนะ้เห็นประจับใจที่เย็นด้วยขานของต้นที่มีพื้นเพออันดีเพราะอํนานาจแห่งสมาธิ ที่สงบรวมลงหลายครั้งไร้หงส์จนกลายเป็นฐานขึ้นมานั้นก็เป็นความสุขเวลาออกแย ก, ออกพิจารณาทางด้านปัญญาพอแยกไปหมดพิจารณาไปหมดต้นไม้ภูเขากับแยกเพราะมั น, นเห็นรวมธานุรวมขันแม้แต่สัตว์แต่เสือก็เป็นธาตุเป็นขันเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นจะไปกลัวไปเปลี่ยนกันเรื่องอะไรหาเหุทำผลไม่ได้นั่นคือวายของปัญญา ที่พระพุทธเจ้าทงสั่งสอนไว้สําหรับพระสงค์ได้บำเพ็ญด้วยความสะดวกเพื่อการตรัตถอนจกลียโดยชอบธรรมนั้นพันจึ์สอนเป็นจุดสำคัญสำคัญถึ ง, งลูกขมูลในเช่นนาสมนังในซาละประัจจารหาเตยยาวัดวังซาโหฮแฟนยุกนะไล่ไปไปในป่าในเขายูการลูกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาที่ไหน ก, ก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบําเพา็ญธรรมอันเึร็ แต่ที่ให้ข้ากิเลสภายในจิตใจในที่ผาลอยปวงไปเป็นระดับจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเลือหลออยู่ภายในจิตใจได้เลยเพราะสถานที่เช่นไหลท่านก็สั่งสอนให้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นอูบายวิธีต่างๆที่สอนสอนเพื่อข่ากิเลสเพื่อแก้กิเลสภายในจิตใจทั้งนั้นบรรดาธรรมทั้งหลายที่สอนไม่ได้สอนเพื่อการสังสมกิเลสแต่ที่เรานํามาสังสมกิเลสทําแทนที่จะการเป็นเครื่องแก้กิเลสกลับมาเป็นเครื่องสังสมกิเลสเพราะหัวใจมีกิเลส มีอำนาจมากที่จะน้อมทำเข้ามาเป็นที่เละได้นั่นก็เป็นไปได้นี่แต่ธรรมนิินขั้นสอนอย่างนั้นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมยิงมีทางที่จะแก้กที่เละไปโดยลำหนักนับตั้งแต่ขั้งตั้งตัการมาจนกระทั่งปัจจุบัน ต, ต่ไม่เป็นอื่นเลยที่เละยอมไรือกลัวตั้งแต่ทำตอนนั้นนอกจากทำที่เละไม่กลัวอะไรทั้งหมดในบรรดานโลกขัานนี้ทำคืออะไรวิริยะธรรมเนี่ยขันติธรรม วิญญาคือความเพียรขันติคือความอดความทนสติก็คือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมหมุนกันเข้าไปกิเลสอยู่ที่ตรงไหนเครื่องมือแบบนี้หรือธรรมแบบนี้หมุนเข้าตัวเข้าไปตรงนั้นกิเลสขยับขยายไปไล่ส่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลือลอยู่ความนี่ปู่ย่าตายาที่เคยสร้างหลกักสร้างฐานสร้างโคดสร้างแสกอยู่ในหัวใจเรามามากมายกลายกองเป็นไร สู้วิรยิยะธรรมขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมไปไมนน่ไอันนี้กวาดล้างไปหมดคือกวาดล้างผู้ก่อการร้ายซึ่งมีภายในิดใจก่อความสงบ อ, อยู่เนี่เพือผู้ก่อการรา้ายุนั่นแย่นี่หลอกเราอยู่ตลอดเวลาธรรมชาตินี้มีอยู่ในหัวใจใดหัวใจนั้นจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยท่านจึงถือว่าเป็นไพรมาตั้งแต่ไหนแต่ใดบรรดาณปา่า ผูท้ที่กล้าหันไม่เข้าท่าเข้าทีไม่รู้จัง่รูเวลาไม่รู้จักเป็นจักตายก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นจึงต้องแบกแบกไปหันไปทุกตลอดมาไปอยู่ที่ไหนก็บ่นว่าทุกบ่นว่าทุกจะไม่บ่นยังไงเราเป็นคนขอบเก็นผู้สอบเสรรยียหาทั้งวันทั้งคืนดื่ม น, นอนนิ้งแต่า ก, การทําสมที่เลชขึ้นมาทั้งนั้นเมื่อที่เดชเกิดขึ้นมาย่ามันทํางานทั้งมันบนหัวใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็บ่นให้มันบ่นมันก็ไม่คกลัะถ้าไม่ทำลายมัน เราจะวัดกิเลสเป็นเทียของก็ะด้างวัดถุยแล้วพระอรหันต์ท่านท่านนั่งท่านบำ เ, เ, เ, เพ็ญ เ, เพียรเพื่อความเป็นพระอรหันต์ท่านมีความเพียรแก่กล้าสามารถขนาดไหนถึงแต่หาจเอื้อมถึงภูมินั้นไม่ก็ต้องเป็นผู้มีความเพียรสมเหตุสมผลค่ะความเพียรมีมากเพียงไรกิเลสก็ตายไปเลยตามทางจงกรมส ถ, า, ถา น, ท, นที่นั่งที่นอนนี่แต่ ปาดภาองค์กิเลสที่ท่านฟาดท่าฟันหั่นแหลกกันหนงไปโดยลำหนักเพราะสติสตังคือความมันเป็นความภาคเพียรนี้ท่านทํางานอยู่ตลอดเวลายืนอยู่ท่านก็ทําเดินอยู่ท่านก็ทํานั่งอยู่ท่านก็ทําขอไปเดินจงกรมอยู่ท่านก็ฆ่าทิเละนั่งอยู่ก็ฆ่าทิเละนอนอยู่ก็ฆ่าทิเละเว้นแต่เวลาหลับเท่านั้นแม้แต่เวลาขบชันอยู่ท่านก็ฆ่ากิเละเพื่อสติปัญญาซึ่งทํางานอยู่ตลอดเวลานัยยะบทต่างๆมีนัยยะบทที่เป็นนักรบทั้งนั้นฆ่าทกิเลสอาสวะไม่ได้ นั่งสั่งสมกิเลศเดินยืนสั่งสมกิเลศนอนสั่งสมวิเลศเดินจงแม้เดินจงกมก็สั่งสมวิเลศเหมือนอย่างพวกเราเพราะเขาไม่มีสตินี่เปนผิดกันอย่างนี้เดินจงกรมหยอกหยอกสองสามเก้าสี่เก้าแล้วเียแล้วไม่ไหวแล้วนี่นอนเะดีกว่านันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้เรเคยดีกว่ามานานแล้วไม่เห็นได้เป็นท่าเป็นทางเนี่ยดีกว่าให้เป็นท่าคือพวกเราเนี่ยนั่งพอนามบ้างนิด แค่กี่นาทีโอ้ยเหนื่อยแนะนอนก็ดีกว่ามันดีกว่าอะไรผรู้นี่พวกดีกว่าแต่ใ่เห็นดีก็คือพวกเรานะมันดีแต่ชื่อดีแต่เรื่องของพิเรเรื่องข อ, องธรรมันไม่ดีแล้วก็ไปคำนึงไปคิดถึงเร่องของพิการท่า น, นบบบรรลุเร็วเพราะนั้นบรรลุที่ไหนที่นี่ฟังเทศฟังธรรก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน เราฟังแทบล้มแทบตายเรียนแทบล้มแทบตายปฏิบัติแทบล้มแทบตายเราเห็นได้อะไรมันขนาดไหนก็ไม่รู้อะแทบล้มแทบตายที่อายุมากกับแทบล้มก็คือล้มลงหมอนแทบตายกับตายลงหมอนน่ะตอนั้นเองมันไม่เห็นพอที่จะต้อรับความลำบากมาบนแทบล้มแทบตายดังที่ว่านั้นจริงๆดังประโพธิการุษสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาท้าทำแบบแทบล้มแทบตายที่ถูกต้องดีงามจริงๆชอบธรรมจริงๆอย่างท่านนั้นกิเลสมันจะทนไปได้เหรือเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับขั้งกุตธการ ธรรมะที่นำมาป่าประหารพิเรศก็คือสติคือปัญญาศรัทธาความเพียรเหมือนกันหากว่าสิ่งเหล่านี้มีกำลังเพียงพอพิเรศ จ, จะต้านทานได้อย่างไรมันจะต้องโล้มจมที่ฝายผลฟรีไปเช่นเดียวกับขั้งคุตการแต่นี้เราเพียงเพียงไปเหาะเหาะไปยยแยแยงพรานพอมันตื่นขึ้นมามันก็ตวาดเราอาอนี่เหนื่อยนะเห็นไหมมันตวาดนี่เหนื่อยนะไม่ไม่เป็นท่านั้นเนี่ยแล้วทักฝันหน่อยเถอะสบาย มันก็ดีกว่าอะไรบ้างทำเล็กน้อยๆโฉมติดโฉใจไปโนู้นไปตามเรื่องกิเลสตัญหาอาสวะที่ไหนในรูแลครอบเข็ดจักรวาลนะจนไม่คํานึงคำนวณพอได้สติฟื้นกลับขึ้นมาโอ้นี่เรื่องภาวนาตั้งนานแสนนานไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลยนี่หัวทำพุทธการท่านภาวนาได้ัเรานี่ยภาวนาแทบตายทำไมไม่เห็นได้ก็แทบตายแต่คิดจนแทบตายยุ่งจนแทบตายไม่เห็นค่ากิเลสจนแทบตายเนี่เป็นไง มันก็ไม่ได้นเหตุมันไม่ตรงกับความจริงผลจะตรงกับความจริงไปได้อย่างไรเหตุตรงกับความจริงก็ดังที่ท่านพารมณ์มาสติก็ให้มีดังที่ท่านว่าปัญญาซึ่งควรจะขุดคน้นกิเลสประเภทใดก็ให้มันมีความแยกคลายทันกับเหตุกับผลทันกับคุณมายาของกิเลสกิเลสก็ต้องหลุดลอยไปโดยไม่ต้องสงสัย นี่คือควรแก่เหตุเป็นอย่างนี้ผลก็เป็นผลที่พึงพอใจเกิดขึ้นเลยธรรมะอะไรจะแก้ยากยิ่งกว่าพิเลศไม่มีอะไรแก้ยากข้ายากที่สุดก็คือกิเลศมันไม่ได้ตายง่ายง่ายมันเหนียวแน่นแก่นกิเลศจริงๆรเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ประโยชพยายามกันเต็มที่เต็มฐานทีเดีทุ่มเทกันลง บางครั้งต้องมอบชีวิตจิตใจมันจะตายก็ตายถึงเวลาที่จะสู้แล้วอ้าวตายก็ตายไม่ตายให้หรู้ไม่ตายให้ชนะอ ม, มันต้องฟาดปันลงขนาดนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสั่งยอมสิ่งที่ไม่เคยรู้เรารู้ขึ้นมาสิ่งที่อัศจรรย์ไม่เคยรู้เคยเห็นเลยตั้งแต่วันเกิดมาก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆพราะความเพียรอัศจรรย์ เพราะสติปัญญาทันกับเหตุกับผลควรแก่การแก้กิเลสได้โดยชอบทำกิเลสดุลลอยไปความสังสว่างกระจ่างแจ้งเขปรากฏขึ้นมาความสุขหาสุขสบายภางในจิตใจเกินการป็งความอัจิจั่นขึ้นมาในตนตทั้งทัขึ้นในเคยอัิจั่นไม่เคือัตจั่นมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างไรมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะคำเพียนอันถูกต้องดีงามเป็นธรรมชาติที่กุดคน้นสิ่งที่อัจิจั่นให้ปรากฏขึ้นมามันต้องปรากฏ เมื่อเหตุผลเกียงพอกันแล้วไม่ว่าครั้งพุทธการไม่ว่าครั้งนี้ไม่ว่าครั้งไหนทำก็คือทำรรอันเดียวกันจากพระพุทธเจา้าพระองค์เดียวกันตรัสไว้แล้วด้วยความชอบธรรมอย่างเดียวกันพิเรศที่เป็นตัวต้านทานทำทั้งหลายก็มีประเภทเดียวกันเมื่อ น, นำธรรมเข้ามาแก้ให้พอกับเหตุกับผลกัน ท, ทําไมพิเรศ จ, จะไม่ยอทมทาไมพิเรศ จ, จะไม่ตายจะไมสลายไม่ทํา ให้ถูกทำลายต้องถูกทำลายแล้วที่หายไปอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่าสวดคาถธรรมที่ขาดไม่ชอบแล้วและไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่านิยานีกคาถาคือนำผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์โดยนับจงกระทั่งพ้นทุกข์เลยสิ้นเชิงได้จะมีทางสงสัยที่ไหนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีทางสงสัยเรื่องสงสัยอัดสงสัยทำสงสัยมากสสมากวนี้่านนั่นเป็นเรื่องของกิเลส ดีุเบต่างหากมันให้เราปฏิบัตินี่นเอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำตรงนี้เอย่ามาผลิภัณฑงหมดแล้วสิ้นแ้วทําท้ายก็ไมเกิดผลล่ะเวลาทํำกิเลสสร้างกิเลสมันทํำไมเกิดผลออสร้างความโลภก็เกิดความโลภขึ้นมาสร้างความโกรธก็โกรธเกิดความโกรธขึ้นมาสร้างความหลงเกิดความหลงขึ้นมาเสริมความโลภความโกรธความหลงมันก็ ติบเจริญเติบโขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยทำไมสร้างกิเลสส่งเสริมกิเลสมันทาไมเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาสร้างอัจสร้างทำส่งเสริมอัดส่งเสริมทำทําไมถ้าไมเกิดทําไมจะไม่มีก็อยู่ในเราคนเดียวนี่เนี่ยสร้างอะไรก็มีอย่างนั้นถ้าไม่สร้างก็ไม่มีนี่อยู่กับเราอยากให้กิเลสมันหลอกลวงลราได้อพรนั้นปีเท่านี้เดือนเป็นเรื่องหลอกตลอกของทําไปในปัจจุบันปัจจุบัน เราทำรับผิดชอบเรามีรับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าถึงปีนั้นปีนั้นเราถึงจะรับผิดชอบเราระยะนี้เราปล่อยตัวกันจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เวลาหิวยังรับทานนีอ่อะไรหิวน้าก็รับทานหิวข้าวก็รับทานหิวนอนก็ต้องนอนเจ็บไข้ได้เปื่อก็ต้องหาอยู่พยายามรักษ า, านี่แล้วรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาอการประพฤติปฏบิบัติทันเราจะหาไมเวลาที่ไหนมันเหมาะสมเวลาใดการใดเราทําของเราทั้งนั้นเนี่ย สมกับความรับผิดชอบตนเพราะจิตมีความหวังความปุกอย่ตลอดเวลาไม่เคยจุดจางเลยความหวังนี้ประจำอยู่ภายในจิตไม่มีใครที่จะจิดจางแม้จะทุกข์จนหุโลกขนาดไหนก็ตามความหวังความปุกความเจริญนี้มีอยู่ด้วยกันเท่งนั้นภายในใจเป็นแต่เพียงว่ามันเต็มไปไม่ได้ท่านั้นเองเมื่อพอที่เป็นไปได้แล้วทําไมจะใครทำไมจะไม่อยากได้มีเราเป็นผู้ควรควรอยู่แล้วที่จะสร้างความปุกความเจริญให้แก่จิตใจด้วยอัดด้วยทำเราควรจะทําไปโดยลําดับนั่นเอง สมกับเรารับผิดชอบเราทั้งเป็นทั้งตายตลอดการลยหรือยืนเดินนั่งนอนยาวบททั้งสิบเรามีความรับผิดชอบในตัวของเราอยู่เส ม, มอจึงสร้างความหวังให้แต่ตัวโดยลาดับลำดั บ, บ, บความหวังเมื่อบรรจุเขา้าจิตใจแล้วเป็นผู้มีหวังเป็นผู้มีหวังเป็นผู้สมหวั ง, ปงไปเลื่อยจนทั่งถึงสมหวังโดยตลอดสายเลยสมหวังอย่างพึงพอใจดังพระพุทธเจ้าและสาวกหมายท่านเป็นผู้สมหวังเป็นที่พึงพอใจ รับผิดชอบได้จนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางเราก็พยายามสร้างความดีให้พอสร้างเข้าที่ใจเนี่ยใจนี่แหละคือภาชนะสำหรับทมทั้งหลายบรรจุขเข้าที่ใจพิเรศเคยไปบรรจุอยู่ในใจนั้นมีมากมายก่ายของใจจึงการเป็นของโสกโปกเป็นภาชนะที่สกโปกด้วยสิ่งที่สกโปกทั้งหลายคือพิเร นีพยายามชะล้างสิ่งที่จปกุกภายในภาชนะคือจิดนั้นออกเดิมดับดับนำธรรมะปฏิบัติธรรมะส่งเสริมธรรมะให้เกิดั้งมีขึ้นภายในใจกลายเป็นภาชนะแห่งธรรมขึ้นมาแทนที่ของกิเลสเราจะมีแต่ความาเกษมสำรานทั้งปัจจุบันอนาคตตลอดกาลไหนๆก็ตามทำเมื่อมีทำคือความดีงาม เป็นเครื่องมันอยู่ภายในจิตใจแล้วผู้นั้นไปใส่ก็ไม่นจนกรอกจนงูมีความสุขความสบายอยู่กับใจนั่นแหละไม่ว่าจะไปเกิดในสถานที่ใดใดก็ตามไม่สําคัญสําคัญที่ให้มีธรรมอยู่ภายในใจความดีอยู่ภายในใจใจนี่แลจะเป็นผู้ไปเมื่อใจมีธรรมแล้วใจนี่แลจะเป็นผู้มีสุขไปอยู่สถานที่ใดก็ไม่ผาส จ, จากสุขเพราะสุขอยู่ที่ธรรมธรรมอยู่ที่ใจเป็นผู้สมมักสมหมาย เอาะการแสดงก็เห็ือนกับคนอื่นอนนี้ยุติธรรมทั้